บทที่38เจ้าอาวาสวัดไทยสารนาทชื่อพระครูสอนวิชัยเป็นคนอินเดียโดยกำเนิดได้เข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาที่วัดมหาธาตุอยู่ช่วยงานพระศาสนาจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครู และกลับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอันเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกด้วยและเป็นดินแดนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านด้วยท่านได้ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาขึ้นที่วัดไทยสารนาศมีเด็กนักเรียนที่เป็นชาวพุทธใหม่อยู่ในความดูแลถึง300คน เนื่องจากอยู่เมืองไทยมากกว่าสิบปีท่านจึงอ่านพูดเขียนภาษาไทยได้เหมือนคนไทยทั่วไปคุณสมบัติพิเศษของพระครูสอนวิชัยท่านมีปฏิสันฐานคารวัตตาแปลว่าความเคารพในปฏิสันฐานท่านจึงต้อนรับขับสู้อคันตุ ก, กะทุกชาติเชื้อด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง คืนนั้นคณะผู้แสวงบุญทำพิธีทอดผ้าป่านวัดไทยสารนาฏพระครูเจริญได้บริจาคปัจจัยสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นชาวพุทธใหม่ด้วยเมื่อพิธีทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นลงทั้งพระและครือหัดก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนคงมีจ่าเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงเท่านั้นที่ยังนั่งสนทนารรมกับพระครู สอนวิชาอยู่จนถึงสองอยามจึงเข้าห้องสวดมนต์ภาวนาแล้วจำวัดเวลาตีห้าครึ่งพระมกุเทศนำผู้ปฏิบัติธรรมออกจากวัดไทยสารนาศไปยังแม่น้ำคงคาเพื่อดูพิธีเผาศพของคนฮินดูที่ต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่เพราะจะได้ไม่เบียดเสียดกับคนฮินดูที่พากันมาอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ คนอินเดียเกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจึงเรียกสั้นๆว่าคนฮินดูพวกเขามีความเชื่อในเทพหรือเทวดาว่าสามารถดลบันดาลความสุขความทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในประเทศอินเดียแต่ก็ใช่ว่าอินเดียจะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันทั้งหมด เพราะความที่พวกเขายึดมั่นในศาสนาดั้งเดิมของตนนี่เองที่เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาต้องสูญสิ้นไปจากแดนพุทธภูมิในปีพุทธศักราช 1,700 และไปเจริญรุ่งเรืองในสีลังกาไทยพมา่าจีนเวียดนามเป็นต้นแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นแดนเทวดามาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็ยังคงเป็นแดนเทวดาอยู่จนถึงปัจจุบัน เพราะคนฮินดูจะเชื่อเทวดามากกว่าเชื่อมนุษย์ด้วยกันแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐกว่าเทวดามารพรหมทั้งหลายแม้คนฮินดูจะไม่เชื่อคำที่ทรงสอนของพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้คำสอนอันเป็นสัจธรรมลดความสำคัญลงไปแต่อย่างใดผู้นาทัวร์ได้เจ้าเรือ นำผู้แสวงบุญล่องแม่น้ำคงคาซึ่งมาอยู่กลางแม่น้ำแล้วมองมายังฝั่งก็จะเห็นภาพชีวิตของคนฮินดูที่พากันอาบน้ำดื่มขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระลงในแม่น้ำบ้างก็นำผ้ามาซั ก, กเรียกว่าอาศัยประโยชน์จากแม่น้ำให้มากที่สุดขณะเดียวกันก็มีการเผาศพแล้วก็นำร่างที่เผาทั้งหมดหมดบ้างไม่หมดบ้าง โยนลงไปในแม่น้ำคงคาสตรีที่นุ่งหม่มผ้าสาหรีเมื่อผ้าถูกน้ำก็เปียกแนบตัวคลั้นหล่อนก้มลงวักน้ำล้างหน้าและบ้วนปากก็จะรู้ว่าหล่อนกำลังถ่ายปัสสาวะอยู่ด้วยเพราะสาหรีบางจนมองเห็นสายน้ำที่ไหลาจากตัวหล่อนลงสู่แม่น้ำส่วนภาพที่ทำให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมเห็นแล้วจิตใจหดหูก็คือ ภาพคนที่นอนรอความตายอยู่บนฝั่งแม่น้ำคนที่บ้านอยู่ไกลเกรงว่าเมื่อตายจะนำศพมาแม่น้ำไม่ทันก็จะมาเช่าโรงแรมอยู่ริมแม่น้าอยู่เพื่อรอวันตายจ่ายเงินข้าฟื้นสำหรับเผาไว้เสร็จสั์บางคนถ้าญาติไม่มาพวกที่รับจ้างเผาก็จะเผาพอเป็นพิธีแล้วก็โยนศพลงน้ำ ฟืนที่เหลือก็จะนําไปขายให้รายอื่นต่อไปเมื่อขึ้นจากแม่น้ำคงคาก็พบนักบวชเปลือยกลุ่มหนึ่งเป็นมกักคุเทศอธิบายว่าเป็นพวกาศาสนาเชนนิกายที่คำพรคือพวกนุ่งลมห่มฟ้ า, าศาสนาเชนมีนิกายใหญ่สองนิกายคือนิกายที่คำพรนิกายนี้ไม่นุ่งผ้า ถือว่าสละแล้วทุกอย่างไม่มีกิเลสแม้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องนุ่งอีกนิกายหนึ่งคือเสวตตำพรพวกนี้นุ่งขาวห่มขาวท่านพระครูเห็นด้วยเห็นหนาว่านักบวชเปลือยเหล่านี้มิได้หมดกิเลสจริงเพราะใจยังยึดติดถือมัน่นพวกเขาไม่นุ่งผ้าแต่กรับใส่นาฬิกาเปรี้ยมทองถือการน้ำอย่างดี ที่พวกลูกศิธิ์ซึ่งเป็นคนมีเงินสรรหามาถวายจึงดูขัดกับหลักคำสอนตรงที่ไม่ได้ละ ก, กิเลสจริงมีพระกุณเจ้าหรือโยมผู้ชายต้องการถ่ายรูปกับพระอรหันต์เชหรือเปล่าครับพระมกุเทศถามผู้หญิงถ่ายด้วยไม่ได้หรือคะสตรีที่จ้างฆ่าสามีถาม หากได้หล่อนจะถ่ายไปให้สามีดูเล่นเป็นขวัญตาไม่ได้ท่านไม่ยอมถ่ายด้วยพระมะกุเทศตอบท่านพระครูคิดว่าน่าจะถ่ายภาพกับนักบวชชีเปลยไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนจึงแสดงความจำนงว่าท่านต้องการถ่ายภาพด้วยและเพื่อมีให้เป็นการเก้อเขินจนเกินไป ท่านจึงหยิบแว่นกันแดดในย่ามมาใส่ผลปรากฏว่าพระภิกษุทุกรูปและโยมผู้ชายทุกคนตกลงใจถ่ายภาพเมื่อถ่ายเสร็จพวกลูกศิษย์ที่มาด้วยก็บอกว่าตัวเขาขอเก็บค่าถ่ายรูปกับอาจารย์ของเขาคนละยี่สิบรูปี จากแม่น้ำคงคาพระมกุเทศนำคณะผู้ปฏิบัติธรรมไปยังสิทธารัฐมหาวิหารในมหาวิทยาลัยพาราสีมหาวิทยาลัยฮินดูแห่งเมืองพาราสีสิทธารัฐมหาวิหารคือหอพักที่พระนักศึกษาจากประเทศไทยมาพักขณะที่ศึกษาอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้สาเหตุที่พระมกุเทศนำคณะผู้ปฏิบัติ มาเยี่ยมเยียนพระนักศึกษาก็เพื่อจะให้มาทอดพระป่าสมทบทุนการศึกษาท่านพระครูบริจาคมากพอๆกับเท่าแก่เสงเพราะท่านเรียนมาน้อยเกเรมมามากจึงต้องการสนับสนุนให้พระเนนได้เล่าเรียนศึกษามากๆจะได้นําความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและาศาสนาต่อไปในอนาคต นอกจากถวายทุนการศึกษาแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังถวายพระพุทธรูปหน้าตักว่างห้านิ้วที่ท่านอัญเชิญข้ามแม่น้ำข้ามทะเลมาจากประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพุทธานุสติแด่พระนักศึกษาจะได้ไม่ลืมสวดมนต์ภาวนาอันเป็นหน้าที่สำคัญของนักบวชในพระพุทธศาสนา รับภิกษุที่เป็นหัวหน้าเล่าประวัติความเป็นมาของสิทธารัตถะมหาวิหารว่าเมื่อก่อนเป็นบ้านพักของศาสตราจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อมาลูกสาวศาสตราจารย์ผูกคอตายเมื่อศาสตราจารย์กรเกษียณอายุขชการอาจารย์คนอื่นที่เข้ามาอยู่มีอันต้องถูกผีลูกสาวศาสตราจารย์หลอกหล่อเป็นนิดจนอยู่ไม่ได้ ในที่สุดทางมหาวิทยาลัยจึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทาเป็นหอพักนักศึกษาแต่พวกนักศึกษาก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะถูกผีหลอกจึงปล่อยเป็นหอร้างเมื่อมีพระนักศึกษามาจากประเทศไทยมาเรียนและไม่สะดวกที่จะเช่าบ้านอยู่ข้างนอกจึงพากันมาอยู่ที่นี่และได้ทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกสาวศาสตราจารย์ นับแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าหล่อนมารบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าแต่อย่างใดหอพักร้างจึงกลายเป็นที่พักอาศัยของพระนักศึกษาซึ่งได้พร้อมใจกันตั้งชื่อให้ว่าสิทธารัฐมหาวิหารจากนั้นคณะผู้สแสวงบุญกลับมาฉันและรับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยสารนาศผู้นำทัวร์จัดเตรียมอาหารกลางวันไปด้วย เวลา8นาฬิกา30นาทีจึงออกเดินทางจุดมุ่งหมายปลายทางคือเมืองกุสินาราสถานที่ดับขันทัปรินิ พ, พานที่มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าปริณิพุทตสถานจากสารณะต้องเดินผ่านทางเมืองโครักขปูเป็นระยะทาง180กิโลเมตรจากโครักขปูไปกุสินาราอีก53กิโลเมตร รวม233กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับถนนหนทางและความแออัดของการจราจรระหว่างที่อยู่ในรถพระมกุเทศได้ารัตนาท่านพระครูบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมให้ญาติโยมฟังเมื่อรับไมโครโฟนจากพระมกุเทศที่ชื่อและฉายาเหมือนกับท่านแล้ว จึงถามคนฟังว่าญาติโยมอยากฟังกฎแห่งกรรมของใครละ่ะของอาตมาหรือว่าของญาติโยมของหลวงพ่อครับของหลวงพ่อคะ่ะญาติโยมชายหญิงตอบพร้อมกันถ้าของอาตมาก็สามวันก็ไม่จบเพราะกรรมมากเลือเกินเอาเป็นว่า อตาตมาจะเล่าเฉพาะตอนที่อตาตมาประทับใจเป็นพิเศษก็แล้วกันแล้วท่านจึงเล่าวีรกรรมที่ท่านทำในสมัยเป็นเด็กชายไว้ผมเปียทว่ามีถึงสี่เปียคือหน้าหลังและด้านข้างอีกสองจึงถูกพ่อแม่พี่ป้าน้าอาตลอดจนเพื่อนฝูงเปลี่ยนชื่อเล่นจากเปียมาเป็นแกละตัดแกละไปนานแล้ว แต่พวกเขายังพากันเรียกแกละอยู่อย่างนั้นต่อเมื่อไปเรียนหนังสือที่บางกอกชื่อแกระจึงหายไปยิ่งท่านมาถือเพศบรรพชิตด้วยแล้วก็ไม่มีผู้ใดเรียกชื่อเล่นของท่านอีกท่านพระครูเล่ากดแห่งกรรมของท่านเองได้สนุกสนานสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟังเป็นล้นพน้นทั้งพระและขรือหัดต่างก็ฟังอย่างเพลิดเพลิน จะมีผู้ใดหลับสักคนหนึ่งก็หาไม่โดยเฉพาะพระนั้นหลับไม่ลงเลยทีเดียวเมื่อท่านเล่าด้วยเสียงหนักแน่นจริงจังว่าอาตมาเกลียดพระเป็นที่สุดแต่ญาติโยมอย่าลืมนะว่าเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามอาตมาเกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระ และตอนนี้หลวงพ่อหายเกลียดพระหรือยังคะโยมผ่องใสาถามเพราะอยากรู้จริงๆหายแ ล, ล้วละจะโยมท่านพระครูตอบแล้วก็เล่าต่ออีกว่าตอนอาตมาอยู่มสามโยมยายใหเอาอาหารไปถวายพระอาตมาก็หิวเป็นโตเดินผ่านทุน่งนาไปก็พบเพื่อนเกลือสามคนที่เคยสร้างความดีมาด้วยกัน สร้างความดีอะไรครับหนุ่มน้อยเป็นผู้ถามก็หนีโรงเรียนไปยิงนกตกปลาตีหัวม้าดาแม่เจกนี่คือความดีที่อาตมาสร้างในสมัยเป็นเด็กแล้วหลวงพ่อกับเพื่อนเกลือสามคนไปสร้างความดีอะไรในวันนั้นคะนางสาวสายใยรักถาม หนูใจเย็นเย็นหลวงพ่อกําลังจะเล่าญาติโยมอย่าเพิ่งถามนะฟังไปก่อนอัตามาเล่าจบแล้วค่อยถามท่านตั้งกติกาเมื่อทุกคนไม่ถามท่านจึงเล่าต่ออัตามาก็พบเพื่อนเกลอสามคนมีไอจุกไอโกะแล้วก็ไออะไรอีกคนนึงจํำไม่ได้ซะแล้วเขาก็ถามว่าอัตามาจะไปไหน อาตมาก็ตอบว่ายายชายใหเอาอาหารไปถวายพระไอโกก็บอกขอโทษนะครับหลวงพ่ออย่าหาว่าผมพูดหยาบคายท่านกล่าวคำขอโทษหลวงพ่อวัดดอนเมืองแล้วก็พูดว่าไอโกบอกว่าให้แม่มันกินทำไมเดี๋ยวมันก็ศึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้เอามากินกันดีกว่า กูกำลังหิวอยู่พอดีพอไอโกบพูดอย่างนี้อีกสองคนก็ว่ากูก็หิวอาตมาก็เลยวางปินโตแล้วก็ตั้งวงกินข้าวกันกินจนหมดทั้งข้าวและกับอ๋อมีของหวานด้วยจากนั้นก็ช่วยกันล้างปินโตแล้วก็ลงเล่นน้ำในหนองกันอย่างสนุกสนานเสร็จแล้วอาตมาก็เดินร้องเพลงกลับบ้านยังมีความสุข หลวงพ่อร้องเพลงอะไรคะนางสาวสายใหญ่รักอดถามเสียไม่ได้เพลงสนต้องลมแล้วก็มีเพลงอะไรอีกก็จําไม่ได้เสแล้วท่านพระครูตอบผมอยากฟังหลวงพ่อจา ก, กรุณาร้องเป็นแซมเปิลได้ไหมครับโปรดที่หลงรักนางสาวสายใหญ่รักอรัธนาท่านพระครูให้ร้องเพลงอาตมาร้องไม่ได้หลอกโยม อาตมาไม่ละเมิดพระวินยัยถึงอาตมาจะเกเรมากในวัยเด็กแต่เมื่อบวชเป็นพระแล้วอาตมาไม่เคยละเมิดพระวินยัยแม้จะเคยเป็นเด็กเกเรแต่ก็ไม่ยอมเป็นพระเกเรยอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอาตมาร้องเพลงให้โยมฟังไม่ได้หรอกท่านพระครูปฏิเสธร้องเป็นเซมเปิลเท่านั้นเองครับไม่ได้ร้องจริงจังอะไร เขยังคงขยันขยออาตมากลัวจะกลายเป็นแซมเปื่อนนะซิประเดี๋ยวจะทําให้สมณะสารูปอาตมาเปลือเปื่อนก็ต้องขออภายัยไม่อาจจะทําตามที่โยมขอร้องได้หลวงพ่อเล่าเรื่องต่อดีกว่าค่ะหลวงพ่อพอเดินร้องเพลงกลับบ้านแล้วพบอะไรกลางทางอีกหรือเปล่าคะสตรีที่จ้างค่าสามีอยากฟังต่อ ไม่พบกลางทางหลอกใจโยมแต่พบที่บ้านพบอะไรคะพบอะไรครับโยมหญิงชายถามขึ้นพร้อมกันรู้สึกเพลิดเพลินกับเรื่องที่เล่าจนลืมความเมื่อยล้าที่เกิดจากการนั่งรถแล่นไปบนถนนที่กรุขระแถมจราจรก็ติดขัดช้าก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนต้องเล่าไปตามลำดับเหตุการณ์คืออย่างนี้ พออาตามาถึงบ้านยังไม่ทันขึ้นบันไดยายก็ตะโกนลงมาถามว่าไอ้หนูพบท่านสมพานหรือเปล่าแล้วรับพรมาหรือเปล่าอาตามาก็ตอบว่าพบครับแล้วก็รับพรมาเต็มปิ่นโตเลยครับคือทุกทีอาตามาจะตอบว่าไม่พบเพราะให้ลูกศิษย์วัดไปถ่ายอาหารใส่จานแล้วก็เอาปิ่นโตมา ยายก็สั่งว่าที่หน้าที่หลังต้องถวายสมภารแล้วก็รับพรมาฝากยายด้วยอาตมาก็รับปากและยมยายหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าคะนางสาวสายใหญ่รักถามหนูว่าเชื่อหรือเปล่าละ่ะญาติโยมลองช่วยกันทายสิว่าโ ย, ยมยายจะเชื่ออาตมาบอกหรือเปล่าท่านถามนางสาวสายใหญ่รักและญาติโยม เมื่อไม่มีเสียงตอบจากท่านจึงถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งนั่งติด ก, กับท่านหลวงพ่อวัดดอนเมืองคิดนิดหนึ่งแล้วก็พูดว่าเท่าที่ผมฟังท่านเล่าถึงโยมยายผมก็นึกภาพโยมยายของท่านว่าเป็นคนฉลาดห ล, ลักแหลมแถมสุขุมรอบคอบผมจึงขอทายว่าโยมยายของท่านไม่เชื่อผมตอบอย่างนี้ถูกไหมครับ ท่านพระครูยังไม่เฉลยแต่ถามญาติโยมอีกว่าญาติโยมละ่ะเห็นด้วยกับคําตอบของหลวงพ่อวัดดอนเมืองหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบจากญาติโยมอีกท่านพระครูจึงเย้า ว, วา่าสงสัยญาติโยมจะหลับกันหมดอาตมาเห็นจะต้องหยุดเล่าเท่านั้นเองญาติโยมก็พร้อมใจกันอาราธนาให้ท่านเล่าต่อ สมภานวัดป่ามะม่วงจึงเถอโอกาสเฉลยว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบถูกแต่เหตุผลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ตรงอย่างไรล่ะครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองไม่เข้าใจไม่ตรงเพราะท่านให้เหตุผลว่าโยมยายของผมเป็นคนฉลาดหลักแหลมแถมสุขุมรอบคอบจึงไม่เชื่อที่ผมบอกความจริงโยมยายไม่เชื่อ เพราะมีพยานหลักฐานครับคือสมภารอยู่ที่บนบ้านกำลังคุยกับโยมยายอยู่บนบ้านพอผมบอกโยมยายว่าพบครับแล้วก็รับพรมาเต็มปิ่นโตเลยโยมยายก็บอกดีมากขึ้นมาเลยไอ้หนูยายจะให้รางวัลผมก็ชักเอกใจพอขึ้นบันไดไปหัวใจแทบหยุดเต้นสมภาร น, นั่งอยู่บนเรือน และโยมยายของท่านว่าอย่างไรครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองพลอยตื่นเต้นไปด้วยโยมยายบอกกินอาหารที่เอาไปถวายพระจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เลยตีล้างบาปให้จนผมหลังลายเลยและสมภารท่านไม่ห้ามหรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามอีกห้ามสิครับแต่โยมยายมีเหตุผลดีกว่าบอกสมภารว่า ไม่ตีไม่ได้หรอกจากท่านสมพานฉันต้องตีล้างบาปให้มันสรุปว่าผมถูกโยมยายเคี่ยนจนหลังลายต่อหน้าสมพานและหลวงพ่อเข็ดไหมครับเสียงถามจากด้านหลังตอนหลังก็ทำอีกพระอาตมาเกเรมากและก็ชอบแกล้งคน มีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อเคียวอัตมาเรียกเขาว่าอีเขียวเขาชอบไปฟ้องโยมยายว่าที่อัตมาทำผิดอัตมาก็เลยแกร่งเอาผมเปียเข้าไปผูกติด ก, กับกิ่งมะขามเทศเขาก็ยืนขาแข็งอยู่เป็นชั่วโมงๆอัตมาก็ไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วจึงกลับไปแก้ให้แล้วเขาเข็ดไหมคะยังฟ้องยายอีกรึเปล่า เสียงถามมาจากด้านหลังเช่นกันครั้งนี้เป็นเสียงสตรีถ้าไม่เค็ดอาตมาได้ปล่อยให้ยืนเป็นเดือนเลยนะสิอาตมาไม่ได้แกล่งแต่เขานะน้องสาวเขาอาตมาก่อแกร่งเหมือนกันน้องสาวเขาทำอะไรให้หลวงพ่อหรอคะไม่ได้ทำหรอกแต่อาตมากโกรธพี่สาวก็เลยพานกับน้องด้วย เขาเรียกว่าโกรธหมาดำไปทำหมาขาวนโยมหลวงพ่อเคยแกล้งแต่คนเหรอครับพระทวัชถามบ้างคนหรือหมาอาตมากแกล่งทั้งนั้นถึงได้สมยาว่าตีหัวหมาดาแม่เจ๊กยังไงละ่ะท่านพระครูตอบอย่างภาคภูมิใจในวีรกรรมสมัยเป็นเด็กแล้วพระเนล่ะครับหลวงพ่อเคยแกล้งไหมพระหนุมถามอีก แม่ท่านถามแทงใจดำแบบนี้ผมก็เคืนแย่เพราะเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้ใครถามแสดงว่าท่านต้องเคยหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยยำ้ำก็เคยหนักครับคราวนี้ภิกษุวัยห้าสิบเศษตอบเสียงอ่อยท่านคิดว่าพระธวัตรไม่น่าถามเรื่องที่ท่านไม่อยากจะบอกผมอยากให้หลวงพ่อเล่าให้ญาติยมฟังเป็นอุทาหรณ์ พระทวัตยังคงรุกท่านพระครูจึงแก้เผ็ดว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เอามืออุดหูไว้ห้ามฟังเพราะผมจะเล่าให้กับญาติโยมฟังผมขอฟังด้วยครับภิกษุทุกรูปพูดขึ้นพร้อมกันรวมทั้งพระธวัตรท่านพระครูจึงจำต้องเล่าคร่าวๆ ว, วา่าอาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังส่วนพระคุณเจ้า ท่านจะฟังหรือไม่ฟังเรื่องของท่านอาตมาเคยแกล่งเนนและพระตอนอายุแปดเกขวบเอาเรื่องแกล่งเนนก่อนนะมีเนนรูปหนึ่งอาตมาจําชื่อไม่ได้แล้วท่านเป็นประสัตนิดๆคือวันๆเอาแต่นั่งปลุกพระโดยบริกรรารวะนะโมพุทธายะท่านจะพระพุทธรูปนอนไว้ข้างหน้าและก็บริกา ร, รมอย่างนี้ทั้งวัน อาตมาก็ถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าเองน่ะไม่รู้อะไรนะัโมพุทธาแยะเนี่ยปลุกพระให้นั่งได้และท่านก็นั่งหลับตาว่านะัโมพุทธาแยะนะัโมพุทธาแยะวันต่อมาพอท่านนั่งบริกรรมอาตมาก็ปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วก็จับพระพุทธรูปตั้งขึ้น เสร็จแล้วก็ปีนหน้าต่างออกไปแอบดูอยู่พอท่านลืมตาเห็นพระพุทธรูปนั่งได้ท่านก็ดีใจใหญ่อาตมาก็ทาเป็นเดินมาดูท่านก็เล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็บอกไหนลองทําให้ดูสิท่านก็จับพระพุทธรูปนอนลงแล้วก็บริกรรมคาถานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะปรากฏว่าพระพุทธรูปตั้งขึ้น อาตมาก็แปลกใจแปลกใจเหมือนกันสมภารและพระในวัดก็แห่กันมาดูแต่ตอนหลังมีคนมาบอกว่านโมพุทธายะไม่มีมีแต่นโมพุทธายะเนนกอเปลี่ยนมาบริกรรมนโมพุทธายะแทนพระพุทธรูปก็ไม่ตั้งอีกเลยส่วนแกล่งพระก็คือแกล่งล้งตา หลวงตาจะไปเจริญพระพุทธมนตในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็สั่งให้อัตมาช่วยปลุกตอนตีสีอัตมาก็ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตีสีเพราะไม่มีนาฬิกาท่านก็บอกให้ดูที่ยอดไม้ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกถ้าเห็นดาวประกายพลึกอยู่ที่ยอดไม้ก็ให้ปลุกได้และท่านก็เข้าห้องจำวัด อาตมาก็เลยถือตะเกียงรัวเดินไปที่ต้นไม้แล้วก็ปีนขึ้นไปแขวนตะเกียงไว้บนยอดไม้พักใหญ่ๆก็ไปปลุกลวงตาว่าดาวประกายพลึกขึ้นแล้วล้วงตาขยีตาแล้วก็มองไปที่ยอดไม้บนวันหลับไปประเดียวเดียวแจ้งเสิยละจากนั้นก็รีบสงน้ำคลองผ้ายังรีบร้อนแล้วก็เดินไปบ้านงาน ซึ่งต้องใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงเวลาผ่านไปสองชั่วโมงก็กลับมาอาัตามายังไม่ทันนอนเพราะอยากจะรอดูผลงานท่านบอกว่าไปถึงบ้านงานโยมเขาบอกหลวงตามาทำไมเพิ่งจะห้าทุ่มพวกแม่ครัวกำลังจะเข้านอนกันอาัตามาก็สารภาพว่าเอาตะเกียงรั่วไปแขวนไว้บนยอดไม้ หลอกหลวงตาและถูกท่านเคี้ยนไหมคะมีเสียงถามมาจากข้างหลังงานนี้ไม่ถูกเคียนหลอกโยมแต่ถูกหลวงตาดา่าถึงบรรพบรุษเลยละเอาละไหนๆก็เล่าแล้วอาตมาจะสรุปย่อให้ฟังว่าอาตมาเคยรับจ้างต้มเตาเผาบ้านหาหอยเลี้ยงเป็ดเชือดเป็ดเชือดไก เคยทำมาหมดยังไม่เคยแต่เชื่อดืคนเพราะไม่มีใครจ้างถ้ามีคนจ้างหลวงพ่อจะทำไหมครับพระมกุเทศถามตอบไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเราตั้งสมมุติฐานในอดีตไม่ได้สมภารวัดป่ามะม่วงตอบเป็นปรัชญาทั้งที่ไม่เคยเรียนปรัชญา